จเจริญสุขสวัสดีครูน้อยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งเพื่อร่วมกันศึกษาแผนที่ของจิตใจและเดินทางสู่ความอิสระภายในครับในบทเรียนครั้งก่อนเราได้ฝึกฝนการสร้างจิตใจให้หนักแน่นและมั่นคงดั่งภูผาเราได้เรียนรู้ที่จะไม่หวั่นไหวไปตามแรงลมของโลกภายนอก และอารมณ์ภายในจิต <coaches> ท <Eng udes> <anger Dol an> ี่ตั้งมั่นและใส่กระจ่างดังทะเลสาบที่นิ่งสนิทนี้เองคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำงานขั้นต่อไปครับเมื่อเรามีบ้านที่แข็งแรงและมีแสงสว่างที่เพียงพอแล้วในวันนี้เราจะเริ่มภารกิจเก็บกวาดบ้านครั้งใหญ่เราจะเรียนรู้ที่จะมองให้เห็นถึงโซ่ตรวน หรือเครื่องผูกพันที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งคอยดึงรั้งจิตใจของเราไว้ไม่ให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงและเราจะเรียนรู้วิธีที่จะปลดล็อกโซ่ตรวนเหล่านั้นด้วยกุญแจแห่งปัญญานี่คือบทเรียนในบทที่13ซึ่งจะนําเราไปสู่ความเบาสบายและอิสระภาพมีชื่อว่าปล่อยวางจิตจากเครื่องผูกพันบทที่13 ปล่อยวางจิตจากเครื่องผูกพันเจริญสุขสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านสู่การฝึกฝนเพื่อการปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงเครื่องผูกพันในทางธรรมนั้นมีชื่อเรียกว่านิวรห้าเปรียบเสมือนโซ่ตรวนห้าเส้นที่ล่ามจิตของเราไว้กับเสาแห่งความทุกข์หรือเปรียบเหมือนสีย้อมห้าสี ที่ทำให้ผืนน้ำใสๆในใจของเราต้องขุ่นมัวการรู้จักหน้าตาของนิวรณทั้งห้านี้คือก้าวแรกของการปลดปล่อยครับกามฉันทะคือความพอใจในกามคือความอยากความต้องการที่จะเสพสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่ถูกดึงดูดให้ออกไปหาความสุขจากรูปสวยๆเสียงเพราะๆอยู่เสมอ เปรียบเหมือนสีที่สวยงามน่าหลงไหลพยาบาทคือความไม่พอใจคือความขัดเคืองความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดจิตที่คอยผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบใจเปรียบเหมือนสีแดงฉานที่ร้อนรุ่มทีนมิธะคือความง่วงเหงาหดหูคือความเสื่อมซึมความท้อแท้ขาดพลัง จิตที่จมลงสู่ความมืดมนเปรียบเหมือนสีเทาที่มืดทึบอุทธจกุ ก, กุจะคือจิตที่กระสับกระส่ายหยุดนิ่งไม่ได้ความกังวลถึงอดีตและอนาคตเปรียบเหมือนกากเพชรที่ส่องประกายวิบวับทําให้มองอะไรไม่ชัดวิจิจิจฉาคือความลังเลสงสัยคือความไม่แน่ใจในหนทาง ความสงสัยในผลของการปฏิบัติจิตที่ก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ใช่ถอยหลังก็ไม่เชิงเปรียบเหมือนน้ำที่ขุนมัวจนมองไม่เห็นพื้นเมื่อเราเห็นโซ่ตรวนเหล่านี้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะไม่ใช้กำลังเข้าต่อสู้แต่เราจะใช้กุญแจแห่งการปล่อยวางซึ่งประกอบด้วยสามขั้นตอนคือเห็นรู้แล้วปล่อย เห็นว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราแล้วตัดสินใจปล่อยด้วยการคลายความยึดมั่นนั้นลงเหมือนการแบรมือออกจากฐานไฟที่ร้อนระอุเอาล่ะครับเรามาฝึกเป็นนายช่างผู้ถอดถอนโซ่ตรวนออกจากใจของเรากันณนะบัดนี้ขอเชิญทุกท่านกลับมาสู่ท่านั่งที่สบาย แล้วค่อยๆนำจิตเข้าสู่ความสงบมั่นคงดั่งภูผาตามที่เราได้ฝึกฝนกันมาเมื่อจิตของท่านนิ่งและใสพอสมควรแล้วให้ใช้แสงสว่างของสติส่องสำรวจลงไปในใจของตนเองเฝ้าดูว่ามีอาคันตุกะกลุ่มนี้แวะเวียนเข้ามาบ้างหรือไม่หากมีความคิดถึงเรื่องราวที่น่าเพลิดเพลินความอยากในสิ่งต่างๆผุดขึ้นมา ให้รู้ทันว่าอ๋อกามฉันทะเกิดขึ้นรู้แล้วก็ค่อยๆ ค, คลายความอยากนั้นลงเหมือนคลายกําปั้นที่กําแน่นให้ค่อยๆแบออกแล้วกลับมาสู่ความสงบหากมีความรู้สึกขัดเคืองใจหรือหงุดหงิดในความไม่สงบของตนเองปรากฏขึ้นให้รู้ทันว่าอ๋อพยาบาทเกิดขึ้นรู้แล้ว ก็ไม่ต้องไปต่อสู้แต่ให้แผ่เมตตาให้ตนเองขอให้เราอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยแล้วปล่อยวางความต้านทานนั้นลงหากความง่วงเหงาเข้ามาครอบงำให้รู้ทันว่าอ๋อถีนมิทธะเกิดขึ้นรู้แล้วก็ลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆทำความรู้สึกให้สว่างสวยัยแล้วปล่อยวางความหนักอึ้งนั้น หากจิตกระสับกระสายฝุงไปในเรื่องต่างๆให้รู้ทันว่าอออุทธัจจะเกิดขึ้นรู้แล้วก็ค่อยๆจูงมือจิตที่ซุกซนกลับมาที่บ้านคือลมหายใจอย่างอ่อนโยนแล้วปล่อยวางความวุ่นวายนั้นเห็นมันรู้จักชื่อมันแล้วเปิดมือปล่อยมันไปทำซ้ำๆด้วยใจที่เมตตาต่อตอนเอง ทุกครั้งที่เราปล่อยวางได้โซ่ตรวนก็จะคลายออกไปเปลาะหนึ่งจิตก็จะเบาสบายขึ้นอีกส่วนหนึ่งเมื่อปฏิบัติมาถึงสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านค่อยๆนำความรู้สึกตัวกลับมาการฝึกฝนในวันนี้คือการทำงานที่ลึกซึ้งและตรงเป้าที่สุดของการภาวนาคือการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ นี่คือทักษะที่เราต้องฝึกฝนไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่บนเบาสมาธิในชีวิตประจำวันเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นรู้แล้วปล่อยเมื่อความอยากครอบงำเราก็เห็นรู้แล้วปล่อยทุกครั้งที่ท่านปล่อยวางได้ท่านกำลังมอบอิสรภาพให้แก่ตนเองและเข้าใกล้ความสงบสุขที่แท้จริงเข้าไปทุกขณะ ขอให้ทุกท่านได้พบกับความเบาสบายจากการได้ปลดปล่อยจิตใจออกจากเครื่องผูกพันทั้งปวงเจริญสุขสวัสดี